นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปัสสะอากาลังกุศลสูปัสมปทาสกิจตาปิโยทัันังเอตังขุทาสาธนติธโมสกัดยังโซตโปตีนบัณนีอาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนา เป็นเครื่องสะดับสติปัญญาสเ่เสริมตัทตาความเชื่อและวิทยะความผักเปียนของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญ ง, งอกงามก้าวหน้าขึ้นไปในทางแห่งพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระ บ, บรมศาสดามันเป็นที่ขึ้นของเราทั้งหลายปารยุตติลงด้วยความสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาปราลบมาฆบูชาทำที่ท่านทั้งหลายแห่งก็ทราบกันอยู่ได้แล้วเป็นอย่างดีว่าเรามาพร้อมกันในวันนี้เพื่อประกอบพิธีมาฆบูชาเป็นอภิลักษิตรสมัยสำหรับพุทธบริษัทจะได้ประกอบกระทําเป็นประจําปี เพื่อกิดความระลึกนึกถึงเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหนึ่งโดยพระพุธทธธรรมลาประสงค์เป็นการย้ำความเชื่อความลึกซึ้งย้าความกตัญญูย้ำสติปัญญาในนั่นแป้นและจะได้เป็นที่เข้าใจสําหรับผู้ที่นั่นแป้นอยู่แล้วในส่วนที่ละเอียดจริงๆขึ้นไปเรื่องครั้งวันมาคารชาเป็นอย่างไรนี่ก็ผูดกันซ้ำๆซากๆทุกปีคงจะเข้าใจกันได้เป็นอย่างดี ว่าเป็นวันพิเศษวันหนึ่งซึ่งมีเพียงวันเดียวในประพุทธสาสนานี้ที่บงังเอิญพระอาหารหันต์ทำสองร้อยห้าสิบรูปมถึงพร้อมกันข้าวนาที่แห่งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าประทับเป็นประธานทรงแสดงโอวารปาดิโมกข้ามหน้าสจรรักรก็มีอยู่ที่ว่าพระอาหารหันตุองค์เป็นเอหิพิคุคืออุปตสมบทโดยเอหิพิคุอุปตสมปทาโดยพระอุมิประพาจาเองทุกองค์ก็เป็นพระอาหารหันต์ในความคิมดเป็นนักนักการแต่วันนี้ก็เป็นวันเป็นมาคาร์เตอร์ประจันนัสเบอร์มาคาร์ก พระองค์ก็ทรงกระทำเป็นประธาน <c oughs> เพื่อกระทำสิ่งจริงเรียกกันว่ามหาสัสนสันยิบาทประกาศโอวาทปาติโมคือประธานแห่งโอวาททาั้งหลายทั้งปวงข้อความก็มีอยู่หลายประโยคน์ตั้งแต่การปีประมงโอดิติกาเป็นต้นถึงไปแต่ใจความสําคัญ น, นั้นก็มีอยู่เพียงสีประโยคนหรือหนึ่งคาถาดังที่ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อในแกระบบขบวนัางต้นว่าถ้าประพาสละอาการรังรังการไม่กระทำบาปทั้ ง, งปวงกุศลสู้กระทำประธาการทำกุศลให้เป็นคร่อม สติจิตละไประเร็วถ้าปัญญังการทำจิตให้ขาวรอบในตั้งกุศลน่ะสร้าส น, นั่ง3มอย่างนี้เป็นคํำสอนของพระพุฏเจ้าทั้งหลายนันแหละเป็นจจกลางสำคัญที่ควรจะรู้ที่ควรจะเข้าใจในฐานะที่เป็นหัวใจของตระกุทฏศาสนาจริงนี้นก็มีคนบางคนไม่เั้าใจน่าจะฟังมาตั้งสิบครั้งที่ครั้งอแล้วก็ได้ไม่เข้าใจในท้อที่ว่าเมื <c oughs> ่อไม่ทาบาปทุกอย่างทํากุศลคือความดีทุกอย่างแล้วทาไมจะต้องมาทําจิตใจให้ของสายเล่า เพราะว่าการทำจิตใจของไซก็เป็นความดีกูสนอย่างหนึ่งอยู่แล้วที่เนี่ยเป็นเห็นไม่กระใจประโยคความนประโยคหลังที่ว่าทําจิตในข่าวรอบเพราะมันหมายความว่าไม่จะทำดีทำกูสนทุกอย่างแล้วกิจมันไปยังในข่าวรอบนั่นเองก็เลยนึกถึงความกนนี้ว่าไม่จะทำกุศนทุกอย่างและกิจมันไปยังในขาวรอบแล้วก็ไม่รู้กไม่กระใจยังคิดว่าไม่ทําชั่วทำใจดีก็พอแล้วนี่เป็นบริษัทโดยมากยังเป็นอยู่อย่างนี้แม่ที่ความเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วหรือซัมป์ปังนี่ยังกระจายอยู่อย่างนี้ไม่เข้าใจคำว่าบาบุญ วานิพนธ์นั่นเองโดยถือสว่าทําทดีทุกยอย่างแล้วระหมดเกี่วเรื่องจำขอใช้คำหยาบพายวมันยังโง่อยู่นี่แหละเพราะมันยังมีสิ่งที่ยิ่งขึ้นไปกว่าเนามดีเนื้อควาดีทั้งคูนขึ้นไปก็คือการทําจิตให้ขารอบที่นี้มันมีปัญหาอยู่ที่ตรงว่าจิตขาวรอบนั่นคืออย่างไรทํำไมขาวเลยถึงมีรอบนี่ใน ต, ตอนความดีถ้าว่าขาวในภาษาบาลีก็มีอยู่เพียงไม่สองคำเช่นว่าสุกกะก็แปลว่าขาวปูพาตะก็แปลว่าขาว แต่มันจะแปลิูกก็ม่รู้เลยแมัแัอย่างนั้นโาตงแปลว่าขาวสุาก็แปลว่าขาวในโอทาต า, า, า, า, ตานครวนีในทีนี้ไม่พอยังใส่ฝริเข้าไ ป, ปาริโอทาตา่างก็มาอีกั่ันต้องมใช่อยางเดียวกับสุกะคือขาวนขาวในภาษาไทยเรานี่ก็คำพูวเหมือนกันนขาวาเสือสีขาวเนีทีารว่าขาวมันมีสีขาวแต่ถ้ามันไม่มีสีมันขาวที่ิมันไม่มีสีขาวว่างไม่มีสีก็ยังเรียกว่าขาวนาวาาวั่นแหละเป็นภาษาที่ไม่ถูก รู้ด้วเรายังพูดภาษาไม่ถูกเองนั่นก็คัดใคำพระบาลีนี้ไม่ถูกมันก็เป็นธรรมดาถึงภาษาไทยเราเรียกวขาวขาเป็นสีขาวมันยังมีสีคือสีขาวมันยังมีสีมันยังไม่ปราบมาจากสีนั่นเท่ามีบขาวแค่นิดหนึ่งซึ่งไม่ควรจะเรียกว่าขาวแต่ไม่ควรจะเรียกว่าอะไรก็ต้องเรียกว่ขาวอย่ามันปราบจากสีเนี่คำต่างเขงคําว่าสุกกะขาวกับโูทาตาและปุริปูทาะตาขาวสองขาวนี่มันต่างกันอย่างไร หมายถ่าใจขาวนะครับว่าปริโอทาตะปริโยธาปนะทำให้มันเป็นปริโอทาตะสัจิตตะปริโยธัปนะปริโอธานะทำให้มันขาวทำให้มันปริโอทาตะก็คือทําให้มันไม่มีสีอะไรแต่ก็ไม่เรียกว่าดําหรือว่ามืดไม่มีสีมันเป็นสีซึ่งมัน <Th> ม <Huge Hardy> ีคำเจรเยีย <rien> ก็เรเขาเรียกกันอย่างนี้ตามที่เขาเรียกกันมาแต่ก่อนว่าปริโอทาตะเรียกเป็นภาษาไทยก็มันขาวอย่างไม่มีสีนั่นแหละจะเข้าใจคําว่าบาปไม่ทำแล้วไปทํากุศลทำความดีอย่างยิ่ง แล้วหนึ่งเป็นการทีทีหนึ่งป็นจิตที่จิตในขาวรอบไม่ทำบาปมะครับคือไม่ทำกรรมที่เป็นบาปทำกุศลในขาวรอบเป็นทำกรรมที่เป็นกุศลเป็นดีมันเป็นการทาที่กรรมทั้งสองอย่างแห่ะทำบาปไปทำกุศลมันเป็นการจะทาที่เป็นกรรมแต่พอมาถึงปริโยธาตะไม่มีสีนี่กลายเป็นจิตท้องตนไอ้ปริโยธาตระที่ใภาษาไทมันก็หลอกอย่างนี้ภาษาสามันหลอกอย่างนี้มันก็ยุ่งไอคนที่มาศกาจรจริงมันไม่รู้มันก็งงก็ือัอย่างงงไปอย่างนั้นเองเาต้องขใจชัดลงไปว่าเมื่อทาเม แล้ก็มาทำบุญหรืทำามกุศลเต็มที่ครับยังจะต้องทำอะไรเนื้อนั่นไปอีกที่หนึ่งคือเนื้อบาปเนื้อเนื้อบุญนั่นเองจนมี้จะบาปมีใจบุญเนเนื้อบุญขึ้นไปนี่จึงจะเรียกว่ามันเป็นขาวรอบคือขาวจะไม่มีสีนี่ก็เลยได้ความว่าเนื้อบาปมาเป็นบุญเนื้อบุญก็มาถึงในชีว่าเนี่ยซึ่งเรียกว่าที่สุดท้ายก็จะเนิพพานจังหว่านิพพานเนื้บาปเนื้อบุญนักพุทธภาษารัทตุก็ทําขึ้นว่าจากบาปต่อมาเป็นบุญหรืกุศลจะดี อยกชื่วออมาถึงดีเนื้อดีขึ้นไปก็ถึงว่างว่างว่างว่างจากชั่อ ว, ว่างจากดีเนี่ยข้ า, ขาใจไว้แต่ว่าเมื่อดีขึ้นไปมันยังมีจริงคือว่างเมื่อถึงว่างนะจึงจะถึงที่สุดแห่งปัญหาคือจะไม่มีความทุกข์เลยช <c oughs> า, ย, ายังแทงจุดอยู่ยแค่ดีมันไม่จบเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าดีนั้นมันเป็นกรรมมีการกระทํามันจะมีการปรุงแต่งคือมันเป็นสังขาร สังขารการปรงแต่งสิ่งตรงแต่งผู้ตรงแต่งให้ดีดีนี่มันยังเป็นที่ตรงแต่งผู้ปรงแต่งในสิ่งปรงแต่งมันก็ปรงแต่งปรงแต่งให้ยุ่มให้วุ่นไปตามดีตามแบบที่ได้ผลดีไอ้บาปมันเป็นสังขารตรงแต่งให้ยุ่มไปตามแบบบาปเลยชั่วไอ้บุญตรงแต่งตามแบบบุญให้มันยุ่มไปตามแบบบุญในแบบดียังมีคนเป็นนั้นมากบ้านดีเมาดีลงดีบ้าบุญเมาบุญลงบุญบ้าสุขเมาสุขลงสุขมันจึงไม่ถูกมันจึงไม่พอมันจึงต้องเนื้อนั่นขึ้นไปอีกคือไม่บ้าน่งททีัั้้ตตววอแล ฉันเราเมื่อได้ความสุขละความพุกมันได้ความสุขแล้วปัญญาบ้าความสุขขึ้นฟังดูดีๆมันไม่ยากเกินไปอรอเมื่อพ้นความยากจนนะมาสู่ความร่ํารวยนะแล้วปัญญาบ้าความร่ํารวยปัญญาบ้าความร่ํารวยมันก็มีปัญหาอะไรถ้ามันบ้าความร่ำรวยมันก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีมันยุ่งเลยมันวุ่นวายกันทุกข์ทันทีเมื่อคนที่มันอยากสวยมันมันมันไม่สวยมันร่ำตกแต่งจนสวยไอ้ท่านได้สวยมาแล้วยัญญาบ้าสวยปัญญาบ้าสวยสวยแล้วปัญญาบ้าสวยนี่คือว่ามันเป็นอันสุดท้ายนี่มัน มันมันคัยากกันหน่อยสร้างอำนาจได้อำนาจมาแล้วก็อย่าบ้าอำนาจอย่าล้มอำนาจอย่าเมาอำนาจสุความอว่าดีดีทําให้ได้ไมแล้วก็อย่าไปบ้าอย่าไปล้มอย่าไปเมากันมันนี่ใจความสาคัญของพระพุทธศาสนาจิกใจคาศาสนามันมีอย่างนี้มันเคได้รับประโยชน์นี้บ้างยังบ้าดีบ้ารวยบ้าเสวยเมาบุญบ้าบุญล้มบุญบ้าดีเมาดีล้มดีกันอยู่แล้วก็โง่โง่สุขี่จนเอาพระนิพพานลงมาเป็นเรื่องดีเอาพนิพพานลงมาเป็นเรื่องดีเอานิพพานในเนื้อดีพ้นดีพ้นี ใ น, นกบ้านิพพานในฐานะที่เป็นความดีในความมายจะเป็นความดีอย่างนี้มันก็ผิดหลักกระตุ้นศาสนานี่อยากจะเตือนหากันไว like ้ในข้อ น, นี้แหละที่เมื่อก็พูดกันมาเรื่องนี้หลายติดขั้นกันทีเรื่องมาฆาตบูชาเนี่ยอยากให้จับใจความสําคัญของเรื่องนี้ให้ได้ใช้สักทีเกิดจำว่าอย่างนี้เลยว่าหากจากชั่วมาถึงดีจากดีก็ถึงว่างคือเนื้อช่วยเนื้อดีก็ได้จากชั่วก็มาถึงดีเนื้อดีกันตัวอกเองก็คือเนื้อดีเนื้อชัว่วคือว่างว่างวาง่ว า, งว า, งวางนั่นแหละคือนิพพานเนี่ก็สัญญะสัญญะแปลว่าว่าง ออกเป็นออกเป็นภาาไทยว่าศูนย์แต่พวกบัณฑิตโม่งเขาใช้คำหยาบคาเขาใช้คำหยาบคาบัณฑิตโม่งทั้งหลายยังมีอยู่มากมันกลานย์ยะวศูนย์เปล่ามันกลายนยะศูนย์ศูนย์วะศูนย์เปล่ามันกลแต่อย่างนั้นศูนย์เปล่าที่ไม่มีอะไรนี่เป็นโทษนั้นอันตรายไปเสียอีกเสียดอกเป่าเั่นบัณฑิต่นนักกรานประเทศไทยานี่ไม่ต้องออกชื่อมันยังกลายศูนย์ยะวศูนย์เปล่านัทแล้วว่างว่างว่างจากความดิ้นวันถึงวันว่างจากการจูงใจว่างจากการว่างเงินว่างกันแล้วกันศู มัน e. ไม่ใชุู่นย์เราแต่มันว่างนี่มันว่างจากวุ่นนี่มันไม่มีความวุ่ pareil, นเท่าไหร่แต่นิดนี้ถ้าเป็นเรื่องชั่วเรื่องบาปมันก็วุ่นไปตามแบบชั่ววุ่นอย่างชั่วถ้ามันดีมันก็วุ่นใไปตามแบบดีมันไม่หยุดมันไม่สงบจึงต้องเป็นเรื่องไม่วุ่นจึงจะเป็นเรื่องว่างคนคนชั่วก็วุ่นไปตามแบบคนชั่วคนดีก็วุ่นไปตามแบบคนดีถ้าคนว้างนี่ชั่วนี่กดีมันจึงไม่วุ่นไปตามแบบในหมวดขออาจารย์กันว่าอย่างนี้มันเป็นหลักสําคัญในข้อที่ว่า เมื่อมาถึงสิ it, ่งน <ass es> ี <vào> so ่ขึ้นมาถึงสิ่งที่ตนปรารถนาแล้วอย่าได้ไปบ้าไอ้สิ่งนั้นอย่าไปยึดมันถือมันสิ่งนั้นอย่าไปหมายมันสิ่งนั้นให้เป็นของกูเป็นตัวกูขึ้นมาเนี่ยจำว่าได้รับทุกค่๊ได้หลับอยู่กลางถนนกลางบ้านกลางเลนก็ได้คนได้อะไรมาเป็นที่ถูกใจของตนแล้วก็อย่าบ้าอย่าหลงกับสิ่งนั้นน่ได้เงินได้ของได้ควายได้ไล่ได้นาได้สวนได้อะไรมาแล้วก็ย่าบ้ากับสิ่งนั้นในนี้รถยนต์ไปซื้อรถยนต์มาได้ถูกใจแล้วก็บ้ารถยนต์นีคบ้า มีเงินสุทำได้เงินก็บ้านเงินลมเงิน่มันเป็นคนนบ้ามนียนหน้าทเป็นเนียนหน้ารัฒนาขึ้นมาแล้วก็บ้านนารัตนาล้ม้าัตนนาลคนบ้า่ขอให้รู้เป็นใจความสั้นๆว่าต้องการอะไรราตนนาอะไรที่ท่าพอใจต้อการที่สุดแล้วก็ได้มานได้มาได้ที่่เป็นยังไงได้มากได้มาหได้มายึดมันถือมั่นไดาี่ตกกลางวันนอนไม่หลับนี่น่ะมันมันมันเลว่มัไม่ได้ต้องไม่ลงมต้องไม่ล้มต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยปัญหได้มา ก็ได้จำว่าเธอจะได้ไมัน้องเป็นทุกข์เสียเปล่าเปล่าอยากได้อะไรมามันใจจะขาดได้มนแล้วมารักมาล้มวุ่นวายไปหมดตอนนี้ก็ อ, อยากจะกากใทุกคนดอ้อยลึกถึงความหลังที่เคยได้มาแล้วอทำมาต่อตเคยบ้าบอกตัวเองก็เคยบ้าทั้งแรกที่สุดเรายังแรกบวชเันทีหลักได้พิมดีพอไปได้พอไปได้เก น, นดพิมพีมาวันนั้นถิมสว่างเลยดูดิเพราะความที่มันบ้าะ ไม่หลับทกันตะวันเลยตงทกันดึกึหลายคืนก่อจะไปค่อยที่ไม่ต้องแล้วนี่กอย่างที่ว่าอะที่มันอยากได้นันจะได้มาอยาไปลงกับันเยไปลงกมันนันก็ตีไม่ได้ใจงจะลำบากนะที่ว่ามันได้มีใหม่ได้คู่ม่ใหม่เยมันไม่หลงคงลบากก็ให้กันไตามเรื่องแต่ว่าอย่าลงอะไรดีอย่าลงอะไรดีว่าใจพุทธตาสนามันมีอย่างนี้เมื่อละชั่วไปแล้วเราทดีแล้วได้ดีมากอย่าลงดีหยุดว่างมีความดีโดยไม่ต้องหลงความดี เมื่อเกิมีเงินมาก็ไม่ต้องลงเงินไม่ต้องงกเงินไม่ต้องนอนไม่หลับเพราะเงินก็ใช้เงินไปได้ได้ของอะไรมาก็ใช้ไปได้โดยที่ไม่ต้องลงไม่ต้องลงแต่มัน <c oughs> เป็นใจความสั้นๆนิดเดียวว่าได้อะไรที่ถูกใจที่เรียก ว, ว่าดีที่สุดแล้อย่าลงแ <c oughs> ค่ น, นี้เองค่ น, น, นี้เองหัวใจสําคัญของโอราคาติโมะได้อะไรที่ดีที่สุดและอย่าลงแต่มันจิตมันจึงจะขาวรอบจิตมันจึงจะขาวรอบเป็นปริโอทาตะจำไว้ว่าแม่ไม่ใช่เรื่องไปนิทานเรื่องอยู่ที่บ้านทีเดียนได้ควยก็อาลงควายได้นาก็อย่าลงน ได้ข้าวเปลือกก็อยาล้มข้าวเลือกไเงินก็อย่าล้มเงินได้เกยรติเาืดเสียงอย่าไปล้มเกียรติ่เืดเสียงได้ำน้าศาสนาก ch, corn, true, tree, iology, ็อย่าล้มนำน้าศาสนาจะดีไหมเป็นคิดหน่อยทุกคนดีไหมถ้ามันไม่มีการลงสิ่งอะไนี้แล้วโลกนี้จะดีไมมได้ล้มสิ่งอะไรนี้มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยที่นี่มันจะเกาะโกนไปขูกรีดมันจะชอบชดมันจะเอามากันไปอีกก็มันล้มได้ถุกความได้สมัตได้อะไรมาถูกใจแล้วอย่าไปล้มกับมันอย่าไปล้มกับมันมีทุกละทุกแล้วได้สุขได้สุ สัพพะปาปัสสะอา ก, กาศะนังให้ทำบาทั้งปูนอุสระและสู้กับตั้งปฏาทปนห้ถึง้อสัิติตาประโยชน์้นังยาทำดให้ขาวรบทำิตให้ขารบคือไม่ไปล้มกะที่ว่ากุศลทั้งหลายที่ได้มาที่นี้วันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องที่สำคัญที่สุดในประพุทธประสาสนาเป็นคาใหม่ที่ตั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินไได้แม้แี่พวกาอยวปนสิบสิบปีมันก็ยังไม่เคยได้ยินสาบริายังไม่สนใจอยากจะอวยต่น้อยนะว่าเราเนี่ยเราได้ทาให้มีคาพูดลายคาออกมาใช้พูดันอยู่ซึ เต่าอีทปจจัยตาตอนโนนมีใครพูดจากคำนีู้ออาาคดคำที่ออกมาคาดคุยเดยวกพูดเป็นนแยกนะตัวไตตัวไปนั่นพูดอทาปจจัยตาเป็นนะนว่าสุญญาตาสุญญาตาว่างเขียนนี่ก็พูดเป็นไปหลายคนนะคาว่าตถ า, าตาตาตาตาเดีนพูดเป็นไปหลายคนนะแวนีรู้แล้วการใจแล้วทำให้ได้มันเป็นอีท่าปั จ, จยตาเป็นนั่นเองไม่หลงรักลงเปียดลงหัวงลงกัวแล้วมันก็เป็นสุญญตาว่างจากตัวตนมันเป็นตาตาเป็นเช่นนั่นเองตามเหตุตามปัจจัย ฉันคอยฟังดีนะคอยฟังให้ดีนะ ย, ยินะย่งกว่าเพชร้อยนะลเคยได้ยินนะคือคำว่าอะตัมมะยะตาใครเคยได้ยินอัตัมมะยะตาอะตัมมยะตาะตัมมะยะตาใครเคยได้ยินนี่ในพระตะิรดก็มีใน็ระตรดก็มีคานี้อยู่แต่หน้าสงสารที่ว่าคงจะเป็นเพราะไม่เข้าใจความหมายของคำคำนี้ไลยเลิศหมดในพระิเลิศหมดเ้ราในรู้คำคำนี้นนนนว่าโดวยว่คืออะไรอยากจะพูดว่ามาก็ไม่รู้เลยที่มาว่าต่างกันมันเลยเลื่อนเลื่อนคานี้มที่บางแห่งด้วยบางสูตรกลายเป็นอะตมมยตาก็มี ในบางที่างแห่ง่วนมันกเป็นอะครมยาตาไก็มีที่ถูกที่แท้เป็นอะตัมมายาาถ้าเป็นตัวขอหัวมันเล็กแล้วถ้ามมีหัวมัเป็นอมมายตาโค้มันมีหวเป็นตัวกอโค้มีหัวนิดเดียวเป็นตัวคอแล้วโค้กมมีหัวแหลเป็นตัวต่อเพราะฉะนั้นมันเกิดเป็นอะคมยตาอมยตาอะตมยาตาเลืออยู่สามคยงไปหมดเินถ้รอาเองมันที่สามคำทั้งัที่เรานงเราไม่เคห็นรไ้ไม่มีกล้า้มันจริงเลืออยู่ทั้งามอางท่ม่ ที่ถูกต้องเต้องเป็นอรรมายตาอมมายาานี้มีมากในที่หลายแห่งส่วนอัรรมมยตาหรอคำมายตาเรามีน้อยมีบางแห่งนั้นไม่ชูเร่อาจว่าอมมายตาอธรรมยตาแปลว่าไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นฟังกรยาไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นไม่สำเร็จมาจากปัจจัยนั้นไม่สำเร็จมันไม่ต้องสำเร็จมาจากปัจจัยที่เคยรุงแทงอีกต่อไปลาปัจจัยทั้งหลายที่มันเคยรงแต่งอย่างไรบุายดูท่านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยนั้นอีกต่อไปไม่สป กา น, นี้สาเร็จมาจากปัจจัยที่ทำให้เกิดกิเลสนั่นนี่ ừ, ก็ตัณหาเ อ, อุปาทานเอะไรต่างๆยุ่งไปหมดสเร็จมาจากปัจจัยนั้น น, น, นั่นคือมืยอเราเมยังไม่หลุดพ้นจากอัตตัสงสาราานีกองทุกข์มันก็ูกพันหรือเนื่องกันอยู่กับปัจจัยนั้ น, น, นจนกว่าจะเห็นสุญญตาเห็นสุญญตาโอ้มันว่างจากตัวตนเห็นแต่้าเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองมัไปติดกับมันไปติดขกับสิ่งใดจึงจะเกิดอาการที่ว่าไม่สำเร็จมาจากปัจจัยนั้นนั่นอีกต่อไปเป็นห เลยว่าอันนี้เป็นเรวที่สุดมันเป็นวุตชัยที่สุดมันเป็นคำที่มีค่าคามหที่สุดอะตั ม, มยะตาลังจากเห็นในความจริงทั้งหลายแล้วในน้ังทุังอนต า, าเป็นธรรมจิตตาธรรมนิยามตาิทาิยาตาเห็นสุญญตาเห็นตาาตาเห็นาจงหมงดแล้วมันจะเป็อาการที่เรียกว่าอะตมไมยตาในต้องสเร็จอยู่หรือสเร็จมาสาเร็จนะครับสิ่งนั่นตต่อไปถ้าเฟื่อยหาบพายยาบพายนะเราพูดกูไม่เอามืออีกต่อไปนี่ลองดูว่ากูไม่เอาตะมืออีกต่อไปเอปรัชาบุญกานา ว่าือว่าวันนี้เราได้รู้จากคำวิเศษสูงสุดรู้จักสูงสุดในมีอญาิ่งปล่อีก็เรื่อพุทธศาสนาคือคาว่าอาตมมัตาในคำว่าต่อไปนี้กูจะไม่เอากำมืออีกต่อไปนใครมีปัญญาเข้าใจเอาประาติเป็นประโยชน์ได้แล้เแลเตร็ที่สุดรู้ธรรมาถึงที่สุดได้ได้จริงทาเป็นความรู้สึกที่แท้จริงว่ากูไม่าอีกต่อไปแล้วมันก็เป็นอตมมัตาที่สูงสุดนใจจะมาไหวจะได้เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาไหวมันทาให้กูยุ่งยากลุมบ่าหัวใจมันไม่ฉุนไป นามันทย่ยากามันมีชีสุดเดี๋ยวนี้กูไม่เอาแต่มึงมีต่อไปอะไรไรก็ตามเงินทองเข้าของกันเลยทำมันยิ่งหัวใจมันมีชีวิตสุดเดี๋ยวนี้กูไม่เอาแมึงมอไปเราะวใมันจะต้องใช้ได้กับกู้กับมีก็ได้มันดุยากนักมากกันนกูไม่เามึงมอไคําเดียวกันในความหมายเยกันสิ่งใที่มันทำความยิ่ยากลำบากใจมันมีชีวตสุดนอองชันลตากาดเอาไปกู้ไม่เาแมึงมีไปนั่นคือควาหมายงคว่าอะตัมมัจตาอะตัมมัจจตาหรือว่า เป็นคำธรรมมือนาสญตาตาตาทาปตานต่างๆที่เราเคยกันมาแล้ววันนี้ก็ให้คำพิเศษสูงสุดได้ดนมีคอะไรที่จะสูงสุดว่าคำคนี้เ้ในฐานะฝ่ายที่เป็นรมติฏจานคือฝ่ายความจริงของธรรมชาติัมีต่อไปเป็นฝ่ายนิพานญาเนี่ยคนจะได้รับไปนู่นเลยเนกรไวันตาเป็นต้นเป็นรื่องของนิพานไปแต่ในฝ่าย่เป็นความจริงของธรรมชาติที่เป็นเหตุนยึดมั่นถือมันและคนี้สูงสุดคือธรรมยะตาธรรมยตาเอาไปว่าช่ไม่ใช g, ่ในทุกกรณีที่ว่าได้อะไรมายึ เยวนี้เห็ว่าโอ้มันไม่เป็นเทงเป็นทุกข์เป็นนตาเป็นสุญญตาเชนนั้นเองตอนนี้ต่อไปนี้คูจะไม่ยุ่มกับมือต่อไปต่อไปนี้มึงจะไม่ทาลายหัวใจของูให้ลาบากได้อีกต่อไปความรู้สึกนั้นแหละคืออตมยาตาหัวใจของพุทธศาสนาในความธรรมติจิยานติจียานแสดงความจริงของสันคานทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรแต่ในจริงจริงทต่สในเรื่องนี้แล้วมันจะปล่อยวางเราคือไปสู่นิพพานญาณคอยรู้ความจริงของสันคานทั้งหลายทั้งพรอว่าเป็นอย่างไร ั้นรู้ล้มันก็เกิดนิพพานานที่ตอว่างหลุดต้นเป็นสุขสนุบเย็นนี่เป็นนิพพานยาณทำวมติธิยานมีหลายสิบชื่อหนึ่งนับแต่จังทุกข์กลางนานปนไปแต่ว่าไมนานทุกอย่างจนนิพพานยาก็ดข้แต่เวลาาขึ้นไปนิพพิชากดนิพพิทาเวลามีมุดท่สุดขึ้นไปหานิพพานสูงสุดของในธรรมติยานคือที่จะหลุดยาขาดจากกันกับจากทุกงการทุกขนคือธรรมยัความที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยนั่น นันก็ว่าลาจากบามาสู่บุญแล้วก็ลงบุญว่าบุญบุญเรียนกับบุญอยู่ตรงนี้กไปไม่ด้ส่บุญเรื่อยไปนะท่นต่อมาเห็โอ้ไอ้บุญนี่มันก็ไม่เที่ยงโอยที่ถือกแล้วเป็นทุกข์โอ้ยเป็นอนาตาโอ้ยเป็นสุญญตาอาไม่เอาก็มีต่อไปนั่นแหะมันจะเกิดอาตมสุญญตาฟังเป็นญาติเป็นตาเป็นตาตาแขกภาษาอินเดียภาษาแูรุมบูรานในทางกศการอาเปราะไม่ปังเงินนั่นมายะเราสำเร็จตาเปราะความความที่มันสำเร็จมาจากเหตุปัจจัยนั่นอีกต่อไปก็ด้วยด เท่ทำเป็นจะต้องอาศัยแต่มันม่อาศัยเรื่ิปัญญานอาศัยอวิชามันยึดมันถือมันมันเลยยึดมันถือมันหมดทั้งสมบัขาวท้าของเงินทองาามี้แต่บานเรนับาอาหารเครื่องาไม่สยอาศัยมันอยู่ส้งจิตพันมันอยู่ต้องผูกจิตผูกใจมันอยู่สลับกันไม่ได้ถ้ามาถจุดนี้จิตจิตแ้วจิตมันไม่ไม่อมันมีหวังจะผูกพันไม่หวังจะยึดมันไมว่าร่างกายมันยังจะต้องทาอยู่แต่จิตมันไม่ยึดมั่นมันเป็นเรื่อง แม้ว่าจะยังกินข้าวอยู่ก็มีลมหายใจนะกูไม่กูไม่เป็นทาสของมือต่อไปกูไม่ผูกพันมือต่อไปไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องูกพันกันมืต่อไปเาเรียกว่าธรมยตาไม้ว่าจิตใจมันุดนไปนแล้วร่างกายมันต้องกินงานอารอยู่ต้าตับ้านเน้อง้องอยู่แต่จิตใจไม่ได้ผูกพันไม่ได้ผูกพันธรตตาเนี่ยเป็นอันสุด้ายของการละไม่ตามลาดับละสิ่งที่เป็นอุปท า, านที่ตั้งไม่ตามลดับละอันสุดทาคละอุเบกขาอุเบกขา่านสูงสุด มันลาดีลากจุอมายึดติอยู่ทีเบขามันยังลากเบขาเป็นันที่สุดพวกกามารจรเเป็นในเครื่องผูกพันแลูกเบขาไม่ได้ขึ้นมาถึงรูปาวจรมีปฐมนาชานติจานติเจานนีกอุเบขาได้ในกามารมด้ในบางุขนอุเบขาได้เป็นแต่ก็ยังหลายอย่างคุ้ซ่านอยู่หลายอย่างในรรานาตาเขาขึ้นมาถึอารูปชาญกระทั่งถึงอาธิปัญญาล้วัไม่มีอะไรนีก็เอัดต่ออุเบขาลไม่ได้ลายากที่สุดติดอยู่ที่ตรงนี้ถ้าขาราบราม้ มสอนพระพทธาำอย่างนั้นด้ก็ไม่อาปก็ออกไปหาอคอธรรมะชื่ออตมยตาะละเบกขาอันสุดท้ายที่เรียกว่าเอกตะคุเบกขาเบกขาทืออันเดียวต่อเดียวนิดเดียวเดียละได้ยอตมยตาเป็นว่ายหหมดเลยี้แมมึงทุกอย่างมกไม่อมใครใครมีความรู้สึกอย่างนี้ใครเห็นอย่างนี้ใครพูดอย่างนี้ต่อไปนี่จะไม่ถูกผูกพันอยู่กับสิ่งใดจะไม่หลงหลมมันันอยู่กับสิ่งใดนั่นคืออาตมายาตาพวกทีอยู่ในกรรมวารจันทร์กัน ทีอยู่ในรูปาวะจรัรทุก์ันอยู่กัรูปาวะจักรรูปาจักรทุ์อยู่กับผ้ารูปาวะจักรในพบมันสาหล่านั้นเดี๋ยวนี้ไม่เอาสักอย่างเดียวออกมาเสียจากพบคือไม่ทุกขกันกับสิ่งนั้นไม่สําเร็จมาแต่ประเหต์ประใจเหล่านั้นและอันนี้แหละเป็นหลักธรรมะสําคัญเป็นหัวใจสําคัญที่จะทํากิจให้ข้าวรอบในปวาราติมกซึ่มีหลักสาคัญว่าไม่คาบับคำกุศลกิจให้ข่ารอ บ, อร ก, บอกิจจะข้ารอบได้ก็โดยมีกรรมยตา ละชั่อนอยู่ที่ดีติดดีอาใจดีผูกพันอยู่กับดีอาใจดีเป็นตังการตรงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้จะออกไปไ้จากียนนี้คือเปนอ็นธรรมยาตาไม่สาเร็จมาแต่ปัจจัยคือความดีต่อไปหรือคอนเป็นนิทานนีการจะทจิตในขารอบได้ตามหลักของอุวป า, าิโมกขุสรนั้นจะต้องมีอธร ม, มยาตาใช่ไหาเอาชื่อมาเกอบยีสครั้งแนละ้ามลานล้วยังได้หรือยังเรียกว่า ก, กูจกันลืมธรรมยตาธรรมยตาธมยตาธรรมมตาตาอะไรั้นว่ากูไม่เอาตัวมึงจับไปธรรมยตาไม่สำเร็จมาแต่ปัจจัยน บุญไม่ไววบาปไม่ไว้ดีก็ไม่ไววเชื่อกไม่ไหวสุขก็ไม่ไหวทุกข์ไม่ไหวไ่นั้นปอารกมผูพันกับมันจะหลุดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้นีลก็ไม่สาเร็จอยู่กับหรือไม่สาเร็จมันจะหรือไม่ผูกพันอยู่ด้วยกับสิ่งนั้นๆอีกต่อไปก็ด้วยเดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรที่ผูกพันผูกพันจิตใจอยู่ด้วยทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคาราวาชยงมีการงานมากแต่การงานเป็นสิงที่ผูกพันจิตใจว่าจะดีจะเด่นจะดังจะโอ้จะรู้อย่างตัวดีทั้ง อะเป็นนาเราคูการต้งํามาสูงสุดในระศาสนาที่สามารถจะช่วยให้มีกิจขาวรอบได้เนื้อดีนช่วยเนบุญเนืวาปในสุขเนทุกเดี๋ยวนี้คนทั้งโลกไม่เป็นอย่างนี้มีอะทีูพันมันหมายเป็นเหตุให้ลงมาอยู่กับสิ่งนั้นั่นก็เป็นเหตุให้ทําทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้นนีดถือเป็นตัวของกูเป็นตัวของกูเป็นตัวกูเป็นตัวของกูันอยู่ทั้งนั้นทั้งโลกไม่มีใครต้นใจที่ยาขาดจากสิ่งที่ล้มรักรู้พอใจอยู่ใน คือหลักอาทคาจิโมไม่ทำบาปทั้งภูมทั้งปุสในถึงเพราะทจิตในขาวรอบจะทำจิตในขาวรอบนี่มันจะดำดินนช่วเนื้ดีนื้บุบนื้อสุขทุกเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนื้อบวกเนื้อลบเนื้อความเป็นบวกเนื้อความเป็นลบเนติรีเนื้อนติเนื้อที่เป็นคู่เป็นบวกเป็นลบอะไน่นมันก็จะขาวรอบจิตเปนจากขาวรอบถ้ามันเพียงละชั่วมาก็มันเปนวัละสีสกปรกต่างมาก็อยู่เป็นสีขาวที่นี่เอละสีขาวมันจะทีหนึ่งก็ไม <C oughs> ใครว่างที่าพูดไม่ชอบดีหรือไม่บ้าดีคื อ, ม, ม, ครรนน อ, อมันกำลังบ้าดีมันก็ลอายมันไม่กล้าพูดกูบ้าดีมันก็ไม่ช่วยกับลูกลูกกันเองลูกของตัวเองมันกำลังบ้าดีล้มดีอะไรคิดว่าดีก็ล้มสิ่งนั่นแหละสิ่งนั้นน่ยมันก็ผูกกันจิตได้มันเป็นเครื่องกระตุ้นเป็นเครื่องผลักดันให้กระทํายังอยู่ในขอบเขตของตัณหาอุปาทานหรืออำนาจของอวิชชาโดยลงไปว่ามีสิ่งผิดเพี้ยนท้ททาทาวน์เป็นตัวตน้นเมื่ออวิชชาติหมดการล้อย่างนี้เองมันถึงจะอิสระจ้หลุดออกไปได้การที่จะหลุดอกกดด้้้จาาาสสิิ่่งงงใมััันนนตยขบ อาการีอยากขาดกับสิ่งนั้นคืออธรรมยตามีภาพินะทำที่ว่ามีคนหนึ่งเขาลงรักคันยามากเจ้ามาเขาเป็นอกันยาเป็นปุณีดีบิชชุนเนี่ยเขยาขาดจากคันยาคนนั้นมันอยู่ที่ว่าจิตใจมันอยากขาดหรือไม่อันีอธรมยตาหรือไม่มันไม่มีมันอยากขาดแต่มันยังรักนั่แหละที่นี่ไม่จิงไม่จอยากกันแล้วตามเปิดมา้มันยังรักนั่นแหละมันสลับไได้มันไม่ได้อยากขาดนะทั้งโดยภายนอกและภายในแต่ถ้ามันจะนิพพัทธ์เ็อรรมยตามันอยากขาดโดยการทั้คู นี่เราเคยหลงรักสิ่งต่างที่เราเคยหลงรักหลงรักในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในปัญญาเคยหลงรักมาเท่าไรนี่จะตัดขาดเราก็ได้อย่างไรก็อย่างเดียวกันมันรู้จักจริงเราจริงหรือไม่มาเทียนไปรูปเป็นหาตาเห็นว่ า, ร, า, ารูรปเวทน า, นาสัญญาสงขารวัญญาสังขนี่มเกียนไปราาูปเป็นหาตาโดยแท้จริงไปที่ถือกับก ท, ที่มันทายอย่างดียมันอยากขาดกันได้แต่เดี๋ยวนี้มันมาอย่างนั้นใช่ไมเดี๋ยวนี้มันม่อย่างนั้นใช่ไมมันไม่รู้จักน้แต่ว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรัญญาเป็น ไม่รู้จักแ น, นแต่ตัวขันห้านะใครบ้างน่เราลองตอบญญตัวเองด้วยว่าขันห้าคืออะไรรู้จักจริงไหม้าไม่รู้จักตัวขันห้าไะไปรู้ขันห้าเป็นอาจารย์ตัวขันห้ า, า, าได้อย่างไรม่เป็นไรไม่ได้เรารู้จักตัวนั้นจรๆๆนิงๆริงสันๆๆๆๆจริงๆริงจะเห็นว่ามันในเชียงเป็นรูปเป็นอนัตตาเห็นว่ารูปเบตนาสัญญาสังขารนิยามนี่เป็นข อ, ของธรรมชาติพอาเป็นเอ้ามาเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็กลับเอานก็กลับเอาไม่เจ็บปวดนี่รู้สึกอย่างนี้มันละได้มันจะไม่ยากที่จะผูกพันอยู่กับ ที่อาศัยแข่ชีวิตจิตใจตั้งอยู่ไมาอทำอไปให้ถูกต้องอย่างให้มีความยึดมั่นถือมั่นในขันใดขันหนึ่งเลยทุกขันเลยในทางยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานนี่ก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษาพุทธศาสนานีกายนั้นนี่กายนี้เมืองนั้นเมืองนี้เมืองโน้นนี่มันเสียเวลามันบ่ายมั็นลมไม่เอาพุทธศาสนานี่กายไหนที่ไหนขันไหนถ้ามันถูกต้องมันจะหลัสอนหนึ่งละความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหานั่นแหละ ถ้ถูกต้องลมตะวิตกลมสิร่าความยึดมั่นถือมั่นในการทั้งห้าจะเป็นธรรมทานอัฒนาแบบไหนข้ามันถูกท่องเราไปไปไปึงลากมยึดมันถือมันในการทั้งห้าท่านคนอะไรคนจริงการหลักกพุศาสนาถ้ามันไปติดตั้งอยู่ที่อื่นมันจะเป็นศาสนามันจะนพศาสนาเขาไม่รู้ว่าอย่างนี้รู้จักขันห้าว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติแลวอวิชชาของจิตไปเอามาที่ถือเป็นตัวเราของเราแล้วก็ปัดให้โดยความเจ็บปวดแต่จิต เนี๋ยนี้จิเห็นความเป็น nah. จริงอย่างนี้แล้วโอ้กูากกมึงเราไปนี่คืออัตมยตาก็ให้ตนใจทำคำนี้แล้วคอยสังเกตให้ดีว่ามันมีอยู่จริงในในง่ไหนมันจริงในง่ไหมันจริงใ่แง่ที่มันถือมันรมันจริงแง่ที่จะปล่อยวางถ้ามีอัตมายตาก็เป็นัแน่นอนที <knowledge> ่จะเป็นพระอรหันต์จน่แค่โซดาบันหิทากจะเป็นพระอรหันต์เลยถ้ามีอัตมายตาเห็นความจิ้นในทุกสิ่งทุกขั้นตอนของสังขารของนามรูปแล้วมันจะเกิดจะเกิดอาการนี่คือจะมีจิตใจ นายนายเบือนนายจะไลออกจากกันคลายความยิดมันถืมันคิดเียว่าไม่มนิดัยดว่าทานนะมันต้องทำหน้าทั่สติปัญญาที่เป็นอตาตมมิจตาจะศึกษาสรุปใสลงในแนวในแถวของกรรมให้เป็นเครื่องสังเกตศึกษาใน ต, ต่อไปคอยตั้งใจฟังในจำครั้งหนึ่งว่าเรามีพระพุทธธรรมผสมสามอย่างนี้เป็นจุดตั้งต้นชุดแรกคือพระพุทธธรรมผสมสามอย่างนี้พระพุทธเจ้าคคนพบอสอนะธรรมเรื่งอนหลักปฏิบัติที่มาตอนแล้วทงอยูู่ปฏิบัติ นี่มนีการปฏิบัติมีการปฏิบัติก็เป็นสีนสมาธิปัญญาชุดที่สองเป็นสสมาธิปัญญาของรชาิปรปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาถูกต้องแล้วทวนของปัญญาจะออกมาเป็นความรู้เรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตาสมอย่างอีกเหมือนกันถ้าปัญญาเป็นที่สุดะอกามรู้อย่างอนิจจังทุกคั้งอนัตตาามอย่างอีกอนิจจังทุกังอนัตตาที่นี่มันเป็นความจริงที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมะติตตาเป็นธรรมัญญาตาเป็นอิตตาสมอย่างอีกเป็นธรรมะติตตาที่ตั ER, ้งอยู่ตามธรรมดา มันเป็นอีท่ปัจจตาคือความพิจารณาถึงการและการที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนั้ น, น, นก็ได้ชุสามอย่างอีงแกแล้วว่าทำ ม, ม, ามา ต, าทติตาตาทมยาตาอทปัจตาฉันได้สามอย่างนี้มาแล้วอีท่ปัจเตาแต่ทำไเห็นสุญญตาโอ้มไม่มีตัวตนไม่ต่กระแส อ, อีทปัจเจตาเราจะเห็นตาตาเพราะว่ามัทาทาทานว่างจากตัวตนแล้วมันก็เห็นเป็นเช่นนั้นเองคือตาตาเมื่อเห็นสุญญตาตาตาเชนนั้นเองเพยงพอแล้วมันจะเกิดารรู้ชั้นอะตมยตาเอาไว้เป็นชุดชุดสามเนว่าสุญญตาตาตาตมย สิ้นสดของธรรมะทิฏยานตรงนี้คือความจริงของธรรมชาติของสังขารที่นหลอกลวงเร า, าสิสุดตรงนี้น่ลยต่อไปนี้ก็เป็นปธเวลาค่ะเพื่อนาอ ย, า, นะอย า, ก า, ากจรงล้นะัํายากา่ากจรงล้นั้นับสนิทแห่งความทุกข์ลุดพ้นไปมรรสุจากิเลสในาทุกโดยปั้งทงวงสงบรงับเยือกเย็นเป็นพนิพพานเพราะที่มรรสสัจ ค, คำสุดทายยังไม่ที่หมยว่ากลวันรยะตาเป็ น, านภาษาสันสกฤตสันบาลีก็เกยผลิตาเกยผลิตาความเป็นเกย์ผลิความเป็นทั้งหมดความเป็นไม่ีอรเหลือนี่คือสภาพนิร ว่า่อใมันสลับทิ้งไปหมดไปมีอะไรหรือก็มีแต่ความเพนชันนั่นเองโดยเป็นไปวันเป็นทั้งหมดเป็นทั้งหมดเป็นเพียงไม่มีอะไรเป็นตัวตนพอพทธะประสง์ทาให้เกิดไรตขาสสมาธิปัญญาสีสมาธิปัญญาทให้เกิดไตรลักษณ์อันนี้จะตาสุกัตาอนัตตาตาไตรักทําให้เกิดธรรมะติตตาธรรมญาติตาอีท่าปฏิยตาที่นี้ก็ทำใเกิดสุญญตาสัตตาตาธรรมยตาต่อ่างนั้นก็ทาให้เกิดธาตนิพพานพอแล้วหมดแล้วแล้าหหมายลึกซึ้งสูงสุดในประพุทธศาสนะ เป็นอันว่าวันนี้เราได้มาขยายใจความสาคัญของโอวาทปาติโมกให้ชัดเจนนะครับใจจ่แจ้งว่าทำจิตให้ขาวรอบมันทำอย่างไรคือทให้อยู่เนื้อดิน้ช่อเนื้อบุญเนื้อบาเนื้อสุดเนื้อทุกเนื้อบวกเนื้อรอบเนื้อได้เนื้อเสียน้อแพเน้ชนะนื้อทไรเนื้อาทุนเนความเป็นยิ่งเนื้ความเป็นชายเนื้อจะเป็นคู่คู่คู่ทั้งหมดเลยจิตจริงจะขาวรอบมันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็มองเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงควาเป็นยึดถือไม่ได้เป็นสิ่งยึดถือไม่ได ถ้าถือคาถานีได้แล้วก็รอดตัวไม่มีความทุกข์ใน่กุเี้ยของมึงเลยคังต่อไปถ้าปฏิจจระดีอีกถ้นเป็นว่าธรรมได้บอกให้ทราบคำสุดท้ายสูงสุดสี่สุดหรือสิ้นที่สุดของปะพุทศาสนาคือคำว่าธรรมะจตาในวันนี้วันเพ็ญมาธมามะคนเอาพุทธทองเวลา4ีโมงี่้านาทีได้บอกสิ่งสูงสุดธรรมะคสูงสุดคืออรรตาแ่ทานท้งหลายเดี๋ยวนี้ก็เหนื่อยแล้วแรงพูดแล้ว ขอร้องแต่ว่าให้ช่วยทั้งสองขัดใจให้ดีจำให้ดีเอาไปใช่ประโยชน์ให้ได้เคยคาถาเต่อไปนี้กูเมีวตะมือ <c oughs> ทุกอย่างที่ทำกูเป็นทุกยุ่มให้วุ่นต่อไปนี้กูเมียวตะมือ น, นั่นแหะคื อ, อมม <c oughs> ประจำนิยตาแล้วเป็นว่าร้อยยี่ิบสี่การอนุญาถ้าท่านทั้งหลายเก็จำอคำนี้ไว้ได้ก็จะมีประโยชน์ที่สุดซึงพระญาติที่สุดสที่เรารับเหตุส่อางมาทุกทีทุกทีแล้วจะได้ยุดการแสดงคำแล้วก็ทำพิธีเวียนทเทียนต่อไปมีคนคอร้องก็จะาย TV, ทีวีร้ยคำสิ่งแต่ยังมีแ ด, ด เอยุติรรมายนขอุิการบรรยายธรรมเทศนาในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เอวันก็มีปประการละทนี